โถนี่เต็มหรือยงังพวกเขาตอบว่าเต็มแล้วโรเฟสเซอร์ยิ้มเขาดึงถุงที่สองออกมาจากใต้โตะ๊ะถุงนี้เต็มไปด้วยกรวดเขาค่อยๆใส่กรวดลงในโถเขย่าวเขย่าวจนกรวดเล็กๆนั้นเข้าไปอยู่ตามซอกต่างๆระหว่างก้อนหินในโถ ก็ถามนักศึกษาเป็นครั้งที่สองว่าโถนี่เต็มหรือยังพวกเขาตอบว่ายังไม่เต็มชักจะรู้ทางอาจารย์ของเขาแล้วแน่นอนว่าพวกเขาตอบถูกโปรเฟสเซอร์ดึงถุงซึ่งใส่ทายละเอียดออกมาค่อยๆจัดการให้สายลงไปแทนที่ช่องว่าง ระหว่างก้อนหินและก้อนกรวดภายในโถแล้วเขาก็ถามอีกครั้งว่าโถนี่เต็มหรือยังลูกศิษย์ตอบว่าอาจจะยังพวกเรารู้จักท่านอาจารย์ดีอาจารย์ยิ้มเมื่อได้ฟังคำตอบแล้วเขาก็หยิบเยือกน้ำเล็กๆออกมา